การฟอกจิตจริงๆแล้วข้าบพเจ้าไม่ชอบรู้ไม่ชอบเห็นไม่ชอบได้ยินเรื่องอัศจรรย์อะไรต่างๆเลยถึงแม้มันจะต้องไปรู้ไปเห็นบ้างอย่างคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรอื่นๆบางครั้งข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจไม่ยึดถือรู้แล้วก็แล้วไปข้าพเจ้ามักจะได้ธรรมะสอนเข้ามาในจิต เลยเอาเข้ามาแก้สันดานที่ไม่ดีของตัวเองนอกจากนั้นแล้วไม่ต้องการนารกสวรรค์ก็ไม่อยากเห็นแม้กระทั่งการถอดจิตหรือได้อิทธิฤทธิ์จากสมาธิต่างๆก็ไม่เอาข้าพเจ้าปฏิเสธเรื่องปฏิหารตลอดไม่สนใจแต่จะดูที่ความประพฤติปฏิบัติของตัวเองเป็นหลักอยู่ในศีลในธรรมเป็นหลักแล้วขอฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครไม่อยากเสื่อมบุญวาสนาก็ขอให้รักษาศีลให้แน่น ถ้ารักษาศีลไม่แน่นบุญวัฒนาจะเสื่อมได้ต่อให้มีกี่หมื่นล้านก็หมดถ้าเสื่อมศีลแล้วอะไรๆที่เคยมีเคยได้ก็หมดได้น่ากลัวมากศีลเป็นหลักของชีวิตศีลเป็นสิ่งควบคุมความประพฤติใครที่ไม่เห็นค่าของศีลแล้วน่าสงสารมากการพัฒนาจิตเป็นเรื่องละเอียดต้องทากันเป็นขั้นตอน ไม่ใช่อ่านหนังสืออะไรมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มาทำตามกันง่ายๆแล้วคนเราก็มีพื้นฐานของกรรมที่ทำให้เกิดมาแตกต่างกันอีกหน้าเป็นคนเหมือนกันแต่จิตใจต่างกันก็ทำให้การปฏิบัติยากง่ายต่างกันอย่างพวกเราท่านบอกว่าก็พอที่จะถากกิเลสออกได้แต่คนอีกหลายคนอาจจะยังไม่ได้ เมื่อหปีที่แล้วหลวงตาเทศบนศาลาท่านบอกต่อไปคนไม่พอใจกันเห็นหน้ากันเราจะฆ่ากันวันนี้บนศาลาท่านก็สอนว่าถ้าอยากให้เหมือนชาตินี้ให้ทําบุญของกึ่งหนึ่งที่มีคืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งเจ้าของจิตต้องหยอดไว้ถ้าไม่ได้ทําจะขาดทุนที่เกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วเรื่องธรรมะเรื่องพัฒนาจิตก็ต้องทําเพราะถ้าจิตยังไม่ได้รับการฟอกก็รับอะไรไม่ได้ การฟอกคือการสวดมนต์ภาวนาการสร้างบุญทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วประพฤติตนให้มีทั้งทานศีลภาวนาสามอย่างนี้ก็จะช่วยฟอกจิตเจ้าของให้พัฒนาขึ้นไม่อย่างนั้นมันก็จะหลงไปตามโลกเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้ายัางภาวนาไม่ได้ถึงฐานจิตจิตมันไม่สงบถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนคอยช่วยเหลือ ก็ทำไม่เป็นภาวนาไม่ได้ฐานจิตหรอกนี่คือบุญวาสนาที่เรารักษาศีลอยู่ในธรรมรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์และข้าพเจ้าไม่อธิษฐานขออะไรอื่นเลยนอกจากขอให้ตนอยู่ในศีลในธรรมให้รู้จักพอในทุกเรื่องถ้ามีบุญวาสนาได้เงินทองมาก็จะถวายท่านทําบุญหมดไม่มาเก็บสร้างวัตถุอะไรแล้วขายบ้านมาซื้อทองเข้ากรถินทาคืนให้พ่อแม่